าการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องเพื่อสุขภาพจิตที่ดีจากผลงานประพันธ์ของอาจา ร, รย์วสินอินทศราะซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในชุดสัจจะชีวิตเพื่อสุขภาพจิตที่ดีมนุษย์เราจะมีความสุขดีก็ต่อเมื่อมีสุขภาพกายและจิตดีแต่ระหว่างสุขภาพกายกับสุขภาพจิตนั้น คิดว่าสุขภาพจิตสําคัญกว่าเพราะถ้าสุขภาพจิตดีแม้สุขภาพกายจะกระทอนกระแทน่นเช่นคนชราก็พอหาความสุขในชีวิตได้แต่ถ้าสุขภาพจิตเสื่อมสุดโทมแล้วแม้สุขภาพกายจะดีก็ไม่มีความสุขตัวอย่างเช่นคนหนุ่มสาวที่แม้ไม่มีโรคทางกายแต่เป็นโรคจิตเภทโรคจิตประสาท ควบคุมตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมผิดปกติไปเขาไม่มีความสุขในชีวิตชีวิตของคนเราสําคัญอยู่ที่จิตมากกว่าอยู่ที่กายแต่คนส่วนมากเข้าใจผิดจึงให้ความสําคัญแก่กายมากกว่าจิตเขาจึงต้องผิดหวังเพราะดําเนินผิดจับหลักผิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดีจึงควรสร้างแนวจิต ด, ดังนี้หนึ่ง คิดถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอ 2. คิดถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวง 3. ระลึกไว้เสมอซึ่งความเป็นปฏิกูล 4. มันพิจารณาให้เห็นโทษของกาย 5. ตั้งจิตไว้เพื่อละความตรึกในกามหรือกามาวิตก 6. คิดไปทางคลายความติดหรือวิราคะสัญญา 7. คิดไปในทางดับ หรือนิโรธาสัญญา 8. เห็นว่าไม่มีอะไรน่ายินดีในโลกทั้งปวง 9. พิจารณาว่าไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง 10. พิจารณาลมหายใจเข้าออกหรือทำอาณาปานสติหลักข้อที่หนึ่งคิดถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอคิดถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอไม่ว่าสุขหรือทุกข์ลาบยศ ชื่อเสียงนินทาสันเสริญหรืออะไรอะไรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเราอย่าคิดว่าอะไรจะแน่นอนสิ่งเดียวเท่านั้นที่เที่ยงคือความไม่เที่ยงแนวคิดนี้ทําให้ท่านปล่อยวางได้เมื่อจําเป็นเพราะคิดอยู่ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหลักข้อที่สองคิดถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงคิดถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวง ที่เห็นเป็นตัวตนเพราะเราไปยึดถือเขาเองไปมีอุปาทานในสิ่งนั้นเวลาเราโกรธเรื่องใดรู้สึกว่าเรื่องนั้นใหญ่เท่าภูเขาแต่พอหายโกรธแล้วอารมณ์แจ่มใสแล้วเรื่องนั้นเล็กลงเท่าเม็ดทรายความรักก็เหมือนกันถ้ากำลังรักกำลังหลงอะไรอะไรที่เกี่ยวกับคนนั้นเป็นเรื่องใหญ่หมดแต่พอความรักจางคลายลง เรื่องที่เกี่ยวกับคนนั้นก็ค่อยๆเล็กลงพอความรักเหือดหายเรื่องที่เกี่ยวกับคนนั้นซึ่งเคยถือเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นหมดความหมายไปเลยถ้าจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออะไรก็ทำด้วยเหตุผลและพอประมาณรู้สึกปลอดโปร่งและสบายไม่ต้องคอยตามห่วงเมื่อเข้าไปไหนๆผู้หญิงคนหนึ่งไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ถนอมเลี้ยงลูกจนโตกำลังน่ารักน่าเอ็นดูกำลังหลงรักลูกขณะนั้นเกิดรู้กันขึ้นว่าพยาบาลหยิบเด็กผิดเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกตัวความรักจึงถดถอยและค่อยๆลดลงจนไม่รักเด็กคนนั้นนี่คืออะไรเด็กคนนั้นก็เป็นคนเดิมวิเคราะห์ได้ว่าความรักเป็นอุปาทาน หรือสืบเนื่องมาจากอุปาทานไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นความรักด้วยเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมปลูกฝังให้อยู่ยั่งยืนได้เป็นประโยชน์เด็กบางคนเคยรักพ่อแม่ที่เลี้ยงตนมาแต่พอรู้ภายหลังว่าไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงก็ไม่รักกลับโกรธทั้งทั้งที่เป็นพ่อแม่คู่เดิมนั่นเองทําไมความรักโลภ โรดหลงล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเรามีตันหาุปาทานจึงไปถือเรื่องเหล่านั้นเป็นตัวตนเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเหมือนเทพนิยายกรีกไปทำให้เห็นเป็นบุคคลตัวตนหรือ personification ธรรมชาติต่างๆให้เป็นเทพบุตรเท พ, พธิดาขึ้นมาจึงเป็นเรื่องราวเล่ากันได้ไม่จบ ที่สําคัญคืออัตวาทุ ป, ปาทานความยึดมั่นในตัวตนต้องการความสุขเพื่อตนและต้องการให้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการสนองความสุขของตนผู้อื่นก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นผลออกมาเป็นความทุกข์หนังละครมีแต่เรื่องโลภโกรธหลงที่มีความขัดแย้งตลอดเรื่องและมีทุกข์ตลอดเรื่อง ทำให้คนดูซึ่งมีอารมณ์คล้อยตามพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยจริงๆแล้วมีแต่มายาไม่มีอะไรเป็นตัวตนผู้ดูหนังละครต้องตั้งสติตั้งใจไว้ว่าดูรักโลภโกรธหลงในตัวคนแล้วนำมาสอนใจอย่างนี้จึงจะได้ประโยชน์มิฉะนั้นแล้วเสียเวลาไม่คุ้มค่าเสียสุขภาพจิตหลักข้อที่สาม ระลึกไว้เสมอซึ่งความเป็นปฏิกูลระลึกไว้เสมอซึ่งความเป็นปฏิกูลไม่สวยงามของร่างกายเพื่อความไม่ติดไม่ยึดมั่นผูกพันในร่างกายทั้งของตนและของผู้อื่นร่างกายประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมมีสิ่งปฏิกูลซึมซาบอยู่ทั่วไปทั้งภายในและภายนอก สิ่งภายในกายที่หลายออกภายนอกแล้วไม่มีใครปารถนาถูกต้องแม้เจ้าของร่างกายเองก็รังเกียจไม่ต้องพูดถึงคนอื่นระลึกไว้เสมอเช่นนี้ความกำหนัดในกายจะคลายลงไม่ต้องเสียเวลาและเงินทองกับเรื่องการตกแต่งประดับประดาร่างกายอยู่อย่างธรรมชาติได้พิจารณาให้เห็นจริงว่าความสวยอยู่เพียงแค่ผิวหนังเท่านั้น เจาะผิวหนังลงไปเจอแต่เนื้อเลือดน้ำหนองไม่มีอะไรสวยเลยถ้ากลับเอาภายในร่างกายไว้ภายนอกเหมือนกลับเสื้อกางเกงจะเป็นอย่างไรนกกาหมาแมวคงไล่าตามกันเป็นกลุ่มๆเจ้าของกายคงต้องถือไม้คอยไล่สัตว์เหล่านั้นเป็นแน่ถ้าสังเวชสลดใจอยู่กับกายดังกล่าวนี้จิตย่อมสงบสุขภาพจิตดี เห็นใครสวยกว่าก็ไม่ริษยาเพราะคิดได้ว่ามันแค่ผิวหนังเท่านั้นเองพอตายลงก็หมดค่าสิ่งปฏิกูลซึ่งเคยปิดบังกันมานานก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนคนที่เคยรักก็เบือนหน้าไม่กล้าอยู่ด้วยกันสองต่อสองต้องมีคนมาคอยอยู่เป็นเพื่อนมากมายแล้วพาไปเผาพร้อมด้ย พ, พร่ำภาวนาว่าขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถิด หลักข้อที่สมันพิจารณาให้เห็นโทษของกายมันพิจารณาให้เห็นโทษของกายว่ามีทุกข์มากมีโทษมากเป็นที่เกิดและที่ตั้งของโรคนา น, นับประการเช่นโรคตาหูคอจมูกโรคในท้องในไส้เป็นต้นเมื่อมันพิจารณาอยู่เสมอแล้วโรคเกิดขึ้นจริงก็ปลงใจได้ว่าร่างกายนี้เป็นรังของโรค หรือบาลีว่าโรคขนิดทางซึ่งมีสาเหตุต่างๆมากมายเอาความเป็นโรคมาให้เป็นประโยชน์สำหรับศึกษาและพัฒนาจิตอบรมจิตบางคนเมื่อร่างกายสบายอยู่ไม่มีโรคก็เพลิดเพลินด้วยลาบยศและกามารมไม่เคยนึกถึงความจริงของชีวิตเลยพอเจ็บไข้ได้ป่วยจึงได้ทำซึ่งมีคุณค่าสูงกว่าลาบยศและกามคุณ อันตนไขว่คว้าหามาตลอดชีวิตสุขภาพกายเป็นสิ่งดีแต่ไม่ได้ดีไปกว่าสุขภาพจิตถ้าเสียกายแล้วได้จิตก็ขอให้ยินดีแลกเถิดได้ทั้งสองอย่างยิ่งดีแต่ถ้าเสียสุขภาพกายแล้วยังต้องเสียสุขภาพจิตซ้ําอีกเราก็โง่ไปหน่อยบางท่านเป็นโรคเรื้อรังกลับทําประโยชน์ได้มากเพราะความเป็นโรคนั้นกระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาท บางคนหันมาบำเพ็ญสมถวิปัสนาอย่างจริงจังเพราะโรคเป็นเหตุจนได้สาเร็จมรรคผลพร้อมกับโรคหายไปด้วยท่านเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าโรคะสมะสีสีแปลว่าทำลายกิเลสคือวิชาอันเป็นเสมือนสีสระได้พร้อมกับหายโรคบางท่านมีทุกทางใจอย่างสาหัสแล้วหาทางออกจากทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรม ได้สำเร็จมรรคผลพร้อมกับการสิ้นทุกทางใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าเวทนาสมะสีสีแปลว่าสิ้นกิเลสพร้อมด้วยสิ้นทุกขเวทนาบางท่านเป็นโรคแล้วทำความเพียรปฏิบัติธรรมจนสิ้นชีวิตพร้อมด้วยกิเลสสิ้นไปท่านเรียกว่าชีวิ ต, ตะสมะสีสีแปลว่าสิ้นกิเลสพร้อมกับสิ้นชีวิตโดยในนี้ การเป็นโรคก็มีอุปการะต่อชีวิตเหมือนกันถ้าเจ้าของชีวิตคิดเป็นท่านทรรักษาเขียนหนังสือเล่มเล็กๆไว้เล่มหนึ่งให้ชื่อว่าคนเจ็บไข้ผู้โชคดีผู้สนใจทางนี้คุณอ่านจะได้ของดีจากความเจ็บไข้ยเยอะทีเดียวหลักข้อที่หตั้งจิตไว้เพื่อละความตรึกในกามหรือกามาวิตก สร้างจิตไว้เพื่อละความตึกในกามหรือกามวิตกความตรึกในพยาบาทหรือพยาบาทวิตกและความตรึกในการเบียดเบียนหรือวิหิงสาวิตกพิจารณาเห็นโทษของความคิดความหมกมุ่นทางกามกามารมณและกามคุณว่าเป็นมูลรากของความทุกข์ความเดือดร้อนานานาประการมีความคับแค้นและความริรร่มรายรำพันเป็นผล ได้มาก็ลำบากในการหวงแหนรักษาเป็นเหตุแห่งความหึงหวงริษยาและประทุสลายเพราะการเป็นเหตุมีความชั่วและความทุกข์อีกนานับประการตามมาเผาลนชีวิตกามารมณ์เมื่ออยู่ไกลก็ดูเหมือนหน้าชื่นชมพอเข้าใกล้ได้สัมผัสก็จะเห็นพิษภัยของมันเองตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่ผิดเพี้ยนทาให้คนทะเลาะวิวาทกัน ทำให้คนตรากตรำต่องงานหนักแล่นเด็ดเหนื่อยเพื่อกามถ้าไม่เพื่อกามก็คงไม่หนักแล่นเด็ดเหนื่อยขนาดนั้นทำให้คนประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจตายแล้วต้องทนทุกข์ในนรกอีกในพระสูตรชื่อทเวทาวิตั ก, กสูตรพระพุทธเจ้าตัดเล่าแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงแบ่งความนึกคิดออกเป็นสองส่วน คือส่วนดีได้แก่ความนึกคิดที่จะปลีกตนออกจากกรามจากความไม่พยาบาทและจากความไม่เบียดเบียนส่วนชั่วคือความตึกในเรื่องกรรมเรื่องความพยาบาทและความเบียดเบียนทรงพิจารณาเห็นว่าความนึกคิดเรื่องกรามเป็นต้นเป็นปลายเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นส่วนความนึกคิดเรื่องการ ป, ป, ปารยรยลกรกรปรีกตนออกจากการมเป็นต้น เป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นทรงนึกคิดอยู่นานหลายวันก็เห็นแต่ความปลอดโปร่งความไม่มีภัยคนเราเมื่อมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งไม่มีภัยก็ไม่เครียดผ่อนคลายไม่มีทุกข์ทำให้สุขภาพจิต ด, ดีความคิดพยาบาทและความเบียดเบียนนั้นยิ่งคิดมากยิ่งเครียดมา ก, มากสู้คิดในทางตรงกันข้ามไม่ได้ คือคิดในทางเมตตากรุณาให้อภัยและช่วยเหลือเกื้อกูลคิดในทางนี้จิตใจอ่อนโยนมีความสุขต้องทำ บ, บ่อยๆทำจนเคยชินเป็นนิสัยจะรู้สึกปลอดโปร่งสุขภาพจิตดีหลักข้อที่ 6. คิดไปในทางคลายความติดหรือวิราคาสัญญาคิดไปในทางคลายความติดหรือวิราคาสัญญา คือพลากใจออกจากสิ่งที่เคยติดพันยึดมัน่นเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งใดที่เขาไปติดพันยึดมัน่นจะไม่ให้โทษนั้นไม่มีจึงถอยใจออกห่างอยู่ในโลกไม่ติดโลกเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวไม่ติดใบบัวใบบัวไม่ติดน้ำเพียงแต่อาศายกันให้สำเร็จประโยชน์ในกิจอันพึงทาลมไม่ติดตาข่ายตาข่ายไม่ติดลม จิตใจของบุคคลผู้มีวิราคะสัญญาย่อมไม่ติดสิ่งใดในโลกไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะทำให้เขาติดได้เหมือนเนื้อป่าไม่ติดบ่วงไม่ต้องทุกข์เพราะบ่วงสุขภาพจิตจะดีเยี่ยมทีเดียว 7. คิดไปในทางดับหรือนิโรธสัญญาคิดไปในทางดับหรือนิโรธสัญญาดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ มีชีวิตอยู่เพื่อจะดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ไม่ใช่เพื่อเพิ่มเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกพิรไรรำพันทุกกายทุกใจขับแค้นใจเพลิงเหล่านี้เผาผู้ไม่รู้มานานแล้วเมื่อรู้เท่าทันเห็นด้วยปัญญาว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปจึงตั้งทิศทางในการดำเนินชีวิตว่าเพื่อดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขสิ่งอื่นเป็นเพียงผลพลอยได้ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญมากหมุนเข็มชีวิตตรงแนวไปสู่ความดับทุกข์เหมือนเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเสมอหลักข้อที่8เห็นว่าไม่มีอะไรน่า ย, ยินดีในโลกทั้งปวง เห็นว่าไม่มีอะไรน่ายินดีในโลกทั้งปวงไม่ว่ามนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกล้วนเป็นภพเมื่อมีภพก็มีทุกข์เจืออยู่ทั้งนั้นเหมือนอุจจาระหรือปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นจึงไม่ปรารถนาพบมุ่งตรงสู่นิพพานคือความดับภพซึ่งบารีว่าภวะนิโรโทนิพพานังจริงๆแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เพลิดเพลินแม้ในนิพพานไม่ให้ยึดมั่นว่า น, นิพพานเป็นของเราเพราะความเพลิดเพลินยินดีเป็นมูลแห่งทุกจากมูละปริยายาสูตรเล่ม12บสองข้อหนึ่งถึง9หลักข้อที่9พิจารณาว่าไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงพิจารณาว่าไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงเพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไปปรารถนาเข้าก็เท่ากับปรารถนาความไม่เที่ยงและความทุกข์นั่นเองอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัตชิตวานิรุชันติเตสังวูปสมโมสุขโขแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป การสงบสังขารเหล่านั้นใช้ได้เป็นสุขเป็นคาถานำมาจากอัตถกถาธรรมบทภาคหนึ่งพระมหากาละกล่าวเมื่อพิจารณาศพในป่าช้าและได้บรรลุอรหัตผลปัจจุบันพระนิยมนำมาใช้ในการบังสุกุลศพพระธรรมยุทธ์จะสวดต่อว่าสะเพสตามรันติจมริงสุจามริสเร ตาเทวาหางมริษามินาถิเมเอถสังสยแปลว่าสัตว์ทั้งหลายกำลังตายอยู่ด้วยได้ตายมาแล้วด้วยจกตายต่อไปด้วยเราจักต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันความสงสัยในเรื่องความตายนี้ไม่มีแก่เราคำว่าสังขารมีสองความหมายคือหนึ่งสังขารภายนอกหมายถึงสารประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้น ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า compound e d things เช่นร่างกายของคนอันประกอบด้วยธาตุห้าคือดินน้ำไฟลมและอากาศคือความว่างช่องว่างในกายต้นไม้โต๊เกะ้าอีเป็นต้นเป็นสังขารทั้งนั้นสสังขารภายในคือสภาพปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วอันนี้เป็นนามธรรมเป็น mental formation volition สังขารที่กล่าวถึงในขันห้าหมายถึงสังขารที่เป็นนามธรรมนี้สังขารที่เป็นรู ป, ปรธรรมอยู่ในข้อว่ารูปสังขารไม่ว่าเป็นนามรธรรมหรือรู ป, ปรธรรมล้วนเป็นทุกข์ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์จิตของปุถุชนถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจึงกลับกรอกแปรปรวนและเป็นทุกข์ บวกด้วยทุก์แห่งรู ป, ปรขันเข้าอีกจึงเป็นมหาทุกข์ส่วนจิตพระราหันเป็นวิสังขารไม่ถูกปรุงแต่งจึงผ่องใสและไม่เป็นทุกข์เพราะทันดับสังขารได้แล้วการสงบสังขารเสียได้คือไม่ถูกปรุงแต่งจึงเป็นสุขด้วยประการชนีอีกชื่อหนึ่งของพระราหารันคืออตัตมมโยผู้ไม่ถูกปรุงแต่งเพราะได้บรรลุธรรมคืออตัตมมยตา กล่าวคือวิสังขารหรือนิทัตัญหาเท่ากับไม่มีตันหานั่นเองอตมัมมยตาเท่ากับอันคอนดิชแนลิตี้อัตัมโมโยเท่ากับอันคอนดิชนสังขารจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนากว่าคือวิสังขารกล่าวคือนิพพานคือความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ดังกล่าวมานั่นเองหลักข้อที่สิบ พิจารณาลมหายใจเข้าออกหรือทําอานาปานสติพิจารณาลมหายใจเข้าออกหรือทําอานาปานสติหลักข้อสิบนี้เพื่อผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกจะได้ไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกอันเป็นเหตุให้เครียดวุ่นวายเป็นทุกข์วิธีทำนั่งนิ่งๆิ่งหลับตาครึ่งเดียวมองลงต่ําให้เห็นปลายจมูกนับลมหายใจ เข้านับหนึ่งออกนับหนึ่งเข้านับสองออกนับสองเข้านับสามออกนับสามทีละคู่จนถึงเข้านับสิบออกนับสิบแล้วกลับมาตั้งต้นเข้านับหนึ่งออกนับหนึ่งใหม่เมื่อจิตสงบพอสมควรตาจะหลับลงมาสนิทเองโดยไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนใจสงบอยู่กับลมหายใจสักระยะหนึ่ง เลิกทำแล้วจะรู้สึกสดชื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาณาปานสติทำให้กายไม่ลำบากตาหรือจักสุก็ไม่ลำบากเป็นธรรมเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันอย่างหนึ่งหลักสิบประการดังกล่าวได้นำมาจากคิริมานันทสูตรหรืออาพาทสูตรในพระไตรปิฎกอังคุตรณนิกายเล่ม24ข้อห0สิ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานต์ให้นำไปแสดงแก่พระคีมานันทะผู้ป่วยหนักครั้นได้ฟังแล้วปรากฏว่าหายป่วยเห็นว่าเป็นหลักที่จะนำมาใช้เพื่อบรรเทาทุกทางใจเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของพุทธศาสนิกชนได้ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้บ้างก็ย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติความสุขของชีวิต อยู่ที่สุขภาพจิตที่ดีต่อไปนี้เป็นคำกรอนสอนธรรมเรื่องอุทานธรรมของพระาศาสนาสโสพลแกมจัตตสันโลอุทานธรรมของสอจอประดิษฐ์เป็นพาสิทธคากรอนอักษรสารเทศนาไทยไทยไว้เป็นทาน แก้รําคารฟังเล่นเย็นเย็นใจใครดีเราก็ดีอารีต่อให้สมข้อคำโบราณที่ขานไขมิตรจิตต่อติดกับมิตรใจใครไม่ใหญ่แล้วอย่าอยากให้ยากเย็นคำโบราณพาทีไว้ดีมากโคไม่อยากกินหญ้าอยากเขี่ยวเข็นฝืนน้ำใจของเขาเราลำเค็น ถึงคราวเป็นแล้วต้องปล่อยไปตามการใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราอย่าต่อก่อก้าวให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจปิ้งปลาหมองอแล้วกลับนี่คำขำเจ็บแล้วจำใส่กระบาล น, นี่ขานไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจ จะหาใครมาวอนไม่สอนตนโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรอันบ้านเรือนใหญ่โตระหโหฐานมีเสาธานหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจ ต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนาะจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่เหมาะใจหนาอานิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจทุกสุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจเราอยากได้ความทุกขหรือสุขนา ยามมีมันก็มีมีเหลือล้นแล้วกลับจนมันก็จนจริงหนาอนิจจังดังนี้ไม่ดีนาต้องขอลาอนิจจังดังนี้แลยามจนมันก็จนจนเต็มที่แล้วกลับมีมันก็มีมีนักหนาอนิจจังดังนี้ดีนักนาไม่ขอลาอนิจจังดังนี้เลยไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้ นึกอะไรแล้วทิ้งนิ่งนั่งเฉยไม่ต่อเรื่องเครื่องทุกข์สุขเสเบยใครไม่เคยลองดูจะรู้ดีรักษาตัวกลัวกรรมอย่าทาชั่วจะมองมัวหมดไหม่ไปเมืองผีจงเลือกทาแต่กรรมที่ดีดีจะได้มีความสุขพ้นทุกภยัยเราจะต้องพลัดพรากจากของรักไม่ย้ายยักมั่นคงอย่าสงสัย รีบรู้ตัวเสียก่อนไม่ร้อนใจถึงคราวไปแล้วก็ไปไปตามการความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมีรู้ว่าไฟแล้วทำไมไปจับเล่นมันไม่เย็นเลยหนาหน้าบัดสี ขันถูกไฟไหม้เผาเศร้าโศกีน่าจะตีเสียให้ช้ำรักกรรมสวงอับประมาทปราดชมนิยมนักว่าเป็นมรคคันไหลอันใหญ่หลวงให้ประชาสาุชนคนทั้งปวงพ้นจากบ่วงตันหาสิ้นราขีอหโหโอโอหน้าอนาดหนอความไม่พอพายุ่งทุกกรุงศี ต้องรบราฆ่ากันลั่นโลกีใครเสียทีแล้วก็ตายวายชีวันผู้ใดชั่วรู้ตัวแล้วกลับจิตไม่ถือผิดงมโ ง, ง่โดยโมหันควรจะชมว่าสมเป็นคนทันรู้ผ่อนผันกลับตนเป็นคนตรงสังขาราสัจตานทถิเป็นสติสำคัญป้องกันหลง ยินดียินร้ายให้คลายลงไม่งมงงลืมตัวเพราะชั่วดีเวลาใดทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นราศีเวลาใดทำใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาเขาทำดีทำชั่วตัวของเขาอย่าหาหาใส่หัวของตัวหนา มันจะยุ่งนุ่งนักหนักบุราตามยะถากรรมเขาเราสบายสมัยใดทำใจให้ผุดผ่องจากหมวนหมองราคินสิ้นทั้งหลายจะพบสุขสดใสใจสบายอภิปรายคงไม่ชัดปัดจัดตังนึกนึกแล้วก็น่าอนาถหนาเพราะตันหาพายุ่งออกนุ่งถังต้องรบราฆ่ากันลั่นลือดัง ใครพลาดพลั้งแล้วก็ตายวายชีวากายกับใจอาศัยซึ่งกันอยู่เราต้องรู้ว่ามันต่างกันหนาสุขทุกแต่ละอย่างก็ต่างนาถ้าเอามาคลุกกันมันยุ่งใจปล่อยให้ยุ่งแล้วมันแย่แก้มันยากยิ่งยุ่งมากมันยิ่งแย่แก้ไม่ไหวอย่าปล่อยให้ยุ่งหนุงนักจะหนักใจ จงแก้ไขอย่าให้ยุ่งนุ่งนักนาพูดไปเขาไม่รู้กลับขู่เขาว่าโ ง, ง่งเง่างมเงื้อเสื้อหนักหนาตัวข้างตัวทําไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใยแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครหน้าแค้นใจจริงหนาไม่น่าชม จะเป็นสุขก็ต้องทุกลงทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยประสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมจะเป็นพรมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานมีกายอย่าได้หมายว่าเป็นสุขกลับมีทุกข์มากมายหลายสถานจะหาสุขที่กายจนวายปราณคงไม่พานพบแท้เป็นแน่นอน สารพัดที่จะรู้เป็นครูเขาตัวของเราแล้วทำไมไม่สั่งสอนปล่อยให้ยุ่งนุงนางไม่สังวรควรผันผ่อนแก้ยุ่งนุงทั้งปวงโอโลโพโทโสูโมโหนี้เป็นราคีของใจอันใหญ่หลวงเป็นมูลรากราคินสิ้นทั้งปวงค่อยเหนียวนวงให้นุงยุ่งหัวใจ ร่างกายของเรามันเน่าแน่ไม่มีแปลเปลี่ยนผันหันชะไหนต้องรู้ตัวอยู่เสมออย่าเผลอใจสิ่งใดๆควรทำรีบจ้ำเอ่ยการนี้มิได้รอเราหนอหนาอย่ามัวมามึนเมาเลยเราเอ่ยลงนิยมชมทุกข์ว่าสุขเสเบยไม่ช้าเลยก็ต้องลาโรคคลาใคร ชั่วหรือดีที่ทำกรรมทั้งหลายไม่หนีหายสูญสิ้นไปถิ่นไหนย่อมอยู่ดีกินดีไม่มีภยัยรวมเก็บไว้ที่จิตติดตัวเราอนิจจังทั้งนั้นไม่ทันคิดพอเห็นริษณ์อนิจจังลงนั่งเหงาว่าโ oh, oh, อ, อ้โออกเอยเอยอกเรามามัวเมาอนิจจังจีรังกา ยังไม่เคยฟังใครที่ไหนหนาว่าเกิดมาเป็นสุขสนุกสนานมีแต่บ่นเรื่องทุกข์ไม่สุขสรานทั้งชาวบ้านชาววัดซัดกันไปอนัตตาสังขาร น, นี่ด้านดื้อไม่เชื่อถือถ้อยคำที่ร่ำไขจะพูดจาว่าขานประการใดไม่ตามใจข้องขัดอนัตตาไตราลักษ์ต้องเป็นหลักสำหรับจิต มันคิดมันนึกมันศึกษาเราต้องตายเป็นแท้แน่ละว่าจะมัวมานอกครูอยู่ทำไมประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดพองไม่หมองใจสติใช้คุมจิตไม่ผิดนาอิจฐารมณิยมว่าเป็นสุขที่แท้ทุกจริงเจียวที่เดียวหนา สำคัญผิดติดทุกว่าสุขนาเป็นสัญญาวิปลาสพลาดผิดทันยาธนงอ ง, งาอาจประมาทรักมาชวนชักรวนเรให้เหยหันไม่กลัวเป็นกลัวตายวายชีวันถ้าแพ้มันแล้วต้องตายวายชีวีพรหมเกียรมันยุ่งออกนุงขิงเพราะแย่งหญิงศีดามาราศี ต้องรบราฆ่ากันลั่นโลกีใครเสียทีแล้วก็ตายวอดวายปรานนิสัยควายแล้วไม่วายจะบดเอื้องคนรื้อเรื่องอาทีตังมาตั้งขานพี่รีพี่ไรไม่รู้จบงบประมาณก็เปรียบปรานดังควายหน้าอายนาเออชะไหนใจเราชะนี้นี่ไม่กลัวผีมันเย้ยบ้างเลยหนาะ ใจชนี้หน้าชไหนยอย่างไรนาดูเงาหน้าแล้วคงเห็นไม่เป็นเราอวดฉลาดพูดออกบอกว่างโง่ฟังเขาโอ้อวดอ้างอยากขวางเขาขัดคอเขาก็โกรธพิโรธเราเป็นเรื่องเล่าร้อนใจไม่เป็นการเราเลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร บรรทาวมืดโบวหันอันธาการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเราจะต้องรบรับกับมัจจุราชไม่แคล้วคลาดมั่นคงอย่าสงสัยรีบเตรียมตัวไว้ก่อนไม่ร้อนใจมาเมื่อไรเราก็รบไม่หลบนาถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนา กายนี่มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอย่ยเอวังดังที่ได้แสดงมาสิ้นสุดเทศนาเท่านี้ควรแล้วแก่เวลาหยุดยุติเฮยได้พลาดปราดช่วยชี้ช่องให้ชนเห็นประสิทธิพรสวัสดีเจริญศีเจริญชนเจริญสุขเจริญพล จเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงสรรกุศลใดก็จงสมประสงเทินขอสิ่งพิเศษสรรสรพันธพิพัฒพรจงมาสมสร อ, อุปถัมอำนวยชัยมวลหมู่อมิตรหมายก็ละลายละเลือกไป ทุกโศกและโรคภัยยะพิบัติบอบีทาหวังใดผิดไม่ผิดก็สำริดประจักษ์ตาถวยเทพพระเทพาอะพิบาล น, นิรันดอน